พทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะสัมสนีนีนาคพงนะคะก็มาพบกับท่านในรายการที่ชื่อว่าสัมสนีสงทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ร, ร FM 6, เพื่อที่จะได้ให้ธรรมะกับพวกเราทั้งหลายในเรื่อง ท, ทั่วไปที่เราพบปะเจอเจอในชีวิตประจำวันนี่แหละนะคะว่านอกเหนือจากอาวุธอย่างอื่นแล้วสำหรับที่ฉันถือว่าธรรมะเป็นอาวุธที่มาตรฐานที่สุดดีที่สุดจะใช้อย่างไร หรือว่าจะใช้อาวุธใดนะคะเรามีพระอาจารย์เผบุตรพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีมาเป็นผู้ที่ให้ธรรมะนี้แม้ท่านจะเหนื่อยเพียงใดนะคะประดินทราบว่าในช่วงที่ท่านมีคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยท่านก็ถือว่าต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยก็ยังสาสละเวลามาบันทึกเสียงรายการนี้ให้กับท่านทั้งหลายนับว่าท่านโชคดีนะคะตอนนี้เราก็ไปกราบนวัตการท่านกันเลยค่ะ นำม ก, การกันันค่ะเจนความจริงต้องบอกว่ากราบรบกวนท่านนะคะ <laughs> อ, ยอย่างอย่างในช่วงการปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณยมติ๋วเนื่องจากว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีนั่งสมาธิหลายคาบเราก็ต้องไปเทศสอนอะไรต่างๆอีกก็ต้องอีกสามสี่คาบเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เวลาที่จะมาจัดรายการวิทยุเนี่ย ก็จริงๆแล้วเป็นโชคดีของท่านผู้ฟังด้วยนะเพราะว่าข้อมูลรต่างๆที่เอามาเตรียมมาในระหว่างวันที่จะไปเทศ่ย อ, อะไรเนี่ยมันก็จะมาย่อยรวมกันอยู่เวลาที่อธิบายคุณโย ม, มติวข้อมูลพวกนี้ก็จะอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะเป็น <คะ S 1> การที่ดีมากเลยนะคะแลนะสำหรับคอสเตเดือนนี้เนี่ยก็กําลังอยู่ในระหว่างวันที่บันทึกเสียงคือคืนวันพุธนี่ท่านก็บอกว่าเป็นวันที่สี่แล้วนคนเยอะไหมคะท่านคาร์นี้เก้าสิบแปดคน จัดไม่เยอะไหมคะเอที่ว่าเราก็รับไม่เกินร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ห้องขนาดที่เก้าสิบกว่าคนนี่ถือว่ารับได้รับไหวรับไหวะะรับไหใช่ค่ะก็อากาศคงเย็นสบายพอสมควรสิคะใช่ใช่อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะนะค ะ, ะสําหรับกรุงเทพยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ตอนนี้บางคนบอกว่าเฮ้เย็นนอกยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่เย็นเยือกข้างในเนี่ย นมากกลัวอืหรือว่าร้อนเนี่ยอากาศร้อนทนได้แต่ร้อนใจมันทุกข์บางคนเนี่ยนะคะท่านคะไม่ใช่ความทุกข์ของตัวเราเองเหรอก <c oughs> แต่มีความรู้สึกว่าเห็นคนอื่นหรือว่ารู้เรื่องคนอื่นว่าเขามีความทุกข์เนี่ยมันจินตนาการต่อเลยนะคะว่าโอ้เขาจะทุกข์อย่างนั้นไมนะ่น่าเขาจะคิดอย่างนั้นไม่นะ <c oughs> ทุกข์แทนเขาอย่างนี้ถือว่าในทางธรรมะ ถือว่าอย่างไรครเอ่อถ้า ถ, ถ้าในคําถามนี้จะมีอยู่2กรณีะนะคือกรณีแรกคนที่เราเห็นว่าเขาเจอความทุกข์เนี่ยเราเห็นความทุกข์ของใครสักคนเดีวคนหนึ่งนะกรณีแรกคือเราไม่รู้จักเขาเนะขาเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้แคร์เขาเท่าไหร่นี่คือกรณีแรกะนะส่วนกรณีที่สองเป็นกรณีที่เราแคร์เขามากเช่นคนที่ใกล้ตัวเราหรือคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักแล้วเกิดความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคล น, นั้น สองกรณีนี้จะไม่เหมือนกันเอากรณีแรกก่อนกรณีแรกก็คือคนที่เราไม่รู้จักหรือแบบอาจจะรู้จักอยู่แต่ไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้มีความรักความอะไรกันมากก็เห็นๆกันอยู่ <S <S นะพอเจอพอรู้ว่าเขามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนะซึ่งความทุกข์นี้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เขาประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจอาจจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เขาเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเขาจะตายอย่างนี้เป็นต้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บ นะอันนี้ควรจะต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวเรานะว่าโอ้โหคนอื่นคนนั้นเขาก็ตายนะเราก็จะต้องเป็นสักวันหนึ่งก็จะต้องเจอความทุกข์อย่างนีนะ้ควรที่จะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเมื่อความทุกข์นั้นมาถึงเราแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่พาสุขได้นะก็คือน้อมเข้ามาสู่ตัวเองคือเหมือนกันว่าเห็นเขาทุกข์เนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกแบบคนธรรมดาลอยรู้สึกทุกข์แทนเขา รวมกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่เรารักคนที่เรารู้จักอั น, นอันนี้คือกรณีที่หนึ่งอย่างนะอย่างนี้อ๋อกรณีคนอื่นก่อนะคะกรณีอื่นก่อนที่เรายังไม่รู้จักเขาเรายังไม่ได้รักเขาอ๋อค่ะคนะทั่วไปอ่านตามข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้คือกรณีที่หนึ่งค่ะทีนี้ถ้าถึงกรณีที่สองคนที่เรารักนะและตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่ากรณีแรกเราจะไม่รู้สึกสะเทือนใจเท่าไหร่ค่ะเราก็จะเฉยๆก็เหมือนอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ทั่วไปใช่ไหมโอ้คนนี้เป็นเหตุการณ์อย่างนั้นอาจจะสะเทือนใจนิดนึงแต่มัน มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหนัก<า>อ่ะแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักเลยนีคนใกล้ตัวยิ่งใกล้ตัวเท่าไหร่ยิ่งรักมากเท่าไหร่มันยิ่งสะเทือนใจมากนี่ยนี้ไอความสะเทือนใจที่เกิดขึ้นตรงนี้นีบางทีมันก็ต้องเราต้องรู้จักอดกลั้นนียิ่งถ้าสมมุติว่าคนที่เรารักมากๆเลยเนี่ยนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยแต่บางทีมันทําให้จิตเราแตกเลยเนี่ยจิตแตกก็จะแสดงอาการริ่มให้คร่ําครวญทุบบกชกตัวถึงความเป็นพุ่งงุนงงคลั่งเพลออันนี้แบบหนึ่ง หรือไม่ก็จิตแตกในลักษณะที่กราฟัดกราฟิกกระด้างกระดึ ง, งแสดงความกรธความขัดเคกงความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้ก็อย่างที่2องนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับคนที่เรารักนะจะต้องมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นนะอดกลั้นนะอดกลั้นความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเอาไว้แล้วมันจะเหลืออะไรนะสิ่งที่จะเหลือก็คือความที่รู้สึกสลดสังเวชนะอย่างกรณีของตอนที่พระพุทธเจ้าปฏินิพพาน พระบรมเชษาเนี่ยประกาศไว้แล้วว่าอีกสามเดือนจะบรรนิพพานนะโว้ยพระที่มีความรักในพระบรมเชษาอย่างท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยนะก็รู้สึกว่ายังไงอะสะอึกเนี่ยนะคือมันมันความทุกข์เสียแทงเข้าไปแล้วแต่เขาพยายามที่จะมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นแล้วเหลืออยู่เนี่ยคือความสุขสังเวชค่ะนะตรงนี้ก็คือกรณีเดียวกันกับอันแรกนั่นแหละว่าเราจะต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวเอง แต่วถ้าความทุกอย่างนี้มาถึงเราแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ไหมค่ะออือค่ ะ, ะการแลกน้อมเข้ามาใส่ตัวเองแล้วก็มันจะเกิดความรู้สึกสลดสังเวชเหมือนกันใ่ในกรณีที่ถ้าเป็นคนรักใคร่ห่วงใยเราก็ย่อมจะมีความรู้สึกร่วมบางคนเป็นทุกข์มากกว่าอืมเ้าเลย ก, ก็ต้องอดตั้งใช่ตรงนี้คือเหมือนกับว่าเราเจอความทุกข์เองเขาให้แล้ว ค, คือกรณีของคนที่เรารักเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือเราก็เจอความทุกข์ด้วยมันจะไม่เหมือนกับกรณีแรกที่ว่าคนอื่นเจอเราไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ตรงนี้คือเราเจอความทุกข์ของเราเองอันนี้เป็นความถ้าจะบอกว่าเป็นความเกลียดที่เกิดจากความรักก็ได้น ะ, ค, ะนคือคนที่เรารักเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจใช่ไมเราก็จึงไม่พอใจในสิ่งนั้นก็เลยเป็นความเกลียดที่เกิดจากความรักได้เหมือนกันค่ะทีนี้ ที่ท่านได้กล่าวไปเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการสรุปรวบยอดตอบมากกว่าฟันธงนิดหนึ่งแต่ว่าบางท่านอาจจะยังบอกว่ายังไม่รู้จะมีสติสัมปชัญญะอย่างไรหรอนะคะแล้วก็ควรจะคิดกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นยังไงแล้วมันดูเป็นเรื่องที่ใหญ่เหลือเกินเป็นเรื่องที่ไม่มีใครในโลกนี้จะประสบความทุกข์มากกว่าฉันสักเท่าไหร่หรือมากกว่าคนที่ฉันกําลังไปถ่วงใย่สักเท่าไหร่ดังนั้นกำลังจะบอกว่า ที่ท่านพูดเนี่ยใช้ได้สองกรณีเลยคือกรณีที่เกิดความทุกข์ขึ้นกับตัวเองด้วยใช่ไหมคะกับกรณีที่เกิดกับคนที่เรารักจนห่วงเขามากอย่างนี้ด้วยมันจริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเป็นอะไรไปแล้วก่อนที่เขาจะเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดตั้งแต่ตอนที่เรารักเขาเดี๋ยวสมมติว่าเราไปรักคนนี้แล้วคนนี้ต่อมาเขาเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้สึกสะเทือนใจใช่ไหม จริงๆเราจะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เรารักเขาตรงนั้นแล้วเพราะว่าตอนที่เรารักเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนกับถูกลูกศรแทงแล้วถูกลูกศรคือตัณหานแทงเข้าไปแล้วแต่ว่าพิษมันยังไม่ออกในลูกศรนี้อับหยาพิษพิษมันยังไม่ออกพิษมันจะมาออกตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเช่นเขาเจอโรคภัยใกล้เจ็บหรือเขาเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทุกข์แทนไปด้วยนั่นคือตอนที่พิษมันออกพิษของลูกศรออกแต่เราจะ รักษาจริงๆเรารักษาได้ตั้งแต่ก่อนเลยไม่ต้องรอให้ตอนที่พิษมันออกนะก็โดย<ช>ตั้งสติไว้อย่าให้มีความยินดีอย่าให้มีความรุ่มหลงเพลิดเพลินไปเกลืกล้วัวพัวพันในสิ่งที่เราพอใจตรงนั้นอันนี้เราจะบรรเทาพิษของมันได้ค่ะอ๋อเท่ากับไม่ใช่รักษาใชอยังงั้นต้องเรียกว่าเป็นการป้อง ก, องกันกใช่ ใ, ชให้รู้ไว้เลยว่าเมื่อเรามีความรู้สึกยินดี พอใจอ่าเพลิดเพินเนี่ยอย่าคิดว่ากําลังมีความสุขนะนั่นแหละคือต้นฐาแห่งความทุกข์แล้วนั่นคือถูกลูกศรแทงแล้วลูกศอนแทงแล้วอันนี้เป็นเป็นบุตโพเป็นบุตโพ์ใจอโอค่ะก็คือถูกถูกลูกศอนะคือตัณหาแทงให้แล้วค่ะลูกสอนนี้ไม่ใช่ลูกศรนธรรมดาลูกศอนอาบยาพิษด้วยยาพิษของมันคืออาิชาค่ะนยาพิษนี้จะแล่นเข้าสู่หัวใจใตอนไหน คือเวลาเราเจ็บเนี่ยเรารู้สึกเจ็บที่ใจนะะทั้งๆที่เรื่องมันมาทางหูหรือเราเห็นภาพบาดตาอย่างเงี้ยแต่มันจี๊ดเนี่ยมันจี๊ดที่ใจอะก็ไม่รู้มันเป็นยังไงเหมือนกันนะคุณชมเตียวก็เพราะตรงนี้แหละเพราะตรงนี้แหละในเวลาพิษคือลูกศรพี่กองลูกศรคืออวิชามันแล่นเนี่ยมันแล่นเข้าสู่ใจมันมันปรากฏตรงไหนในวิชาเนี่ยมันคือความไม่รู้ทําให้เราไม่รู้ความจริงใช่ไหมแต่พอความจริงมันปรากฏ นีพอความจริงปรากฏปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัววิชาทันทีเนะเราจะเห็นพิษของมันออกฤทิ์ทันทีนะีความจริงในที่นี้ก็คืออะไรคือความไม่เทีย่ยงไงเนะี่มันเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เรารู้เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เราหวังทวัน<ช>เปลี่ยนแปลงไปปุ๊บเอาความจริงปรากฏความจริงปรากฏอวิชาโผล่ทันทีเอวิชาโผล่ปุ๊บเราเจ็บที่ใจทันทีค่ะมันเป็นอย่างนี้เท่ากับเราควรที่จะรู้ตั้งแต่แรกเพราะคนที่มีพิษโทษภัยอืม ป้องกันซะก่อนอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีออืทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอพอพี่มันออกแล้วเนี่ยเราะจะแก้ไขยังไงเพราะว่าแม้มาพูดทำไมไม่พูดตั้งแต่บอกตั้งแต่แรกทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ใช่ไหมก็เอาเป็นว่าจริงๆบอกมาตั้งแต่แรกแหละพระพุทธเจ้าสอนไว้หลายพันปีแล้วแต่ถ้าเราเพิ่งทราบข้อมูลนี้ไม่เป็นได้แนววิธีการที่จะต้องระวังก่อนนะอันดับแรกเนี่ย คนถ้าไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยรู้ธรรมะเนี่ยพอมันจีที่ใจแล้วเนี่ยเขาจะไปหาทางออกที่เรียกว่าเป็นการมาสุขเช่นความสุขทางตาทั้งหูไปกินไปดื่มไปเที่ยวเนะี่ไปคุยเล่นเพลิดเพ ล, นเพลินเพื่อจะให้ลืมความทุกนี้ซ ะ, ะอันนี้ระวังอันตรายมากเพราะว่าการมาสุขนั้นก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะียิ่งมีความสุขน้อยยิ่งทุกข์มากด้วยสามแต่ความสุขที่เกิดจากตาจากหูเนี่ยนะ เ, เช่นว่าบางทีไปดื่มเหล้ากินเบีย เพื่อจะให้ลืมความทุกข์ตรงนี้หรือว่าไปเที่ยวเล่นเพื่อที่จะให้ลืมความทุกข์จุดนี้แต่หรู้ไหมว่ายิ่งจะนําความทุกข์มากเพิ่มขึ้นเพราะว่าไอ้เจ้าการมาสุขเนี่ยความสุขมันแค่นิดเดียวแต่ความทุกข์ที่จะตามมาเช่นว่าก็อาจจะบริการคุณไม่ดีกินเหล้าก็มีโทษภัยอีกเยอะแยะอาจจะนํามาไปเจอถูกทําร้ายร่างกายอะไรต่างๆเป็นเหตุที่เสื่อมเสื่อมกําลังปัญญาด้วย เพราะนั้นจะไปหาทางออกด้วยหาการหาการมาสุขไม่ได้เลยอันนี้ต้องระวังอันนี้ต้องทํำยังไงนะมันจะต้องมีเทคนิคอุบายวิธีอื่นที่นําออกเสียซึ่งความทุกนี้นะนอกจากการมาสุขอันนี้เป็นพุทุพจน์นะพระชาติบอกว่าบุคคลที่ได้เคยฟังธรรมเนี่ยจะรู้อุบายอื่นที่จะออกที่จะกําจัดทุกขเวทนานี้นอกจากการมมาสุขอุบายนั้นคืออะไรอุบายนั้นคืออะไร ซึ่งในงคนที่เคยฟังทำปฏิบัติธรรมรู้ธรรมาก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้สติได้นะีใช้สติเป็นอุบายตั้งขึ้นได้เนะีเราจะกําจัดอะไรเรารักษาศีลให้ดีเนะีเราทําจิตให้ดีเนี่ยทตั้งสติขึ้นจเจริญสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงพวกนี้จะเป็นอุบายในการที่จะนำออกซึ่งทุกเวทนานั้นได้ค่ะแต่ถ้าสําหรับคนที่มาเผชิญหน้าเลยโดยที่ยังไม่เคยเรียนรู้สติ แบบที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนก็ให้มีสติในลักษณะพื้นพื้นได้ไหมคะอก็คื อ, คอก็คือว่าต้องระวังอย่าไปหาความสุขทางการค่ะนะแล้ววิธีการที่อาจารย์าาแนะนําก็คือว่าเอาหล่ะเรามีสติขั้นใดขั้นหนึ่งเราก็ใช้ไปนะซึ่งในกรณีนี้อย่างที่คุณยมติวนั่นแหละว่าสติพื้ น, พ, น, พ, น, พ, นพื้นนั่นแหละพื้นพนี่คือแบบไหนก็คือแบบเพื่อเราอย่าไปตกอยู่ในห้วงความคิดอันนั้นอีกะนะเช่นว่าเราเจอเรื่องทุกข์ใดๆถ้าเราไปคิดทีไรเหมือนกับ ท, ทุกทุกที ไปคิดที่อะไรก็ร้องไห้ทุกทีอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตกอยู่ในห่วงความคิดนั้นเราก็จะต้องเอาสติเราไปตั้งไว้ที่อื่นแม้แต่ไม่เคยฝึกลมหายใจเลยมันจะไม่อยู่ลมหายใจเนี่ยมันคงยากมากอย่างน้อยคุณเอาเป็นระลึกเรื่องอื่นนะเช่เนไปาคิดเรื่องภพรรุรชาคุยกับคนนั้นคนนี้เรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่เป็นความสุขทางตาทางหูค่ะคิดไปในเรื่องนั้นเลยได้ไหมคะคือที่ฉันเข้าใจว่าถ้าพูดถึงกว้างๆไม่ต้องมายกตัวอย่างเฉพาะรายไปเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจากที่เราเข้าใจว่ามันคือสุขหรือว่าเป็นธรรมดามาเปลี่ยนแปลงกลายเป็นความทุกข์เนี่ยมันก็มักจะคล้ายๆกันคือคือเคยดีๆอยู่อสุขภาพก็เคยดีอยู่แล้วมานเลวร้าย อ, อความรักเคยดีๆอยู่แล้วมาเลวร้าย น, นะค ะ, ะเคยเรียนดีๆอยู่สมมุตินะคะก็มาเลวร้ายมันคล้ายๆกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะเนี้ยค่ ะ, ะเรา เอาแบบที่คนที่ไม่เคยเรียนรู้นะคะไม่ได้ป้องกันไว้ก่อนเผชิญหน้าแล้วลำดับที่ควรทำคืออันดับแรกอย่าหาทางออกของความทุกนี้โดยการไปใช้ทางตาทางหูค่ะทางกายวันนี้ต้องอย่าทำอย่างนั้นการมสุขคือสุขด้วยตาหูจมูกลิ้นใจอย่าทำอย่างนั้นใช่อย่าไปหาทางออกทางนั้นมันไม่ใช่ทางออกนวมันจะเป็นปัญหาใหม่ขึ้นมาอันดับที่สองนะคุณก็จะต้อง ระลึกถึงเรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องที่จะทําให้เรามีความทุกข์อยู่เรื่อยค่ะแต่แต่ทีฉันคิดอย่างนี้ไงคะท่านคะที่ถามเนี่ยคําถามก็คือว่าเหมือนกับเนี่ยเราต้องคิดถึงไหมว่าก็มันเคยสุขดูซิอยู่ดีๆปุบปับไม่รู้ตัวเลยเนี่ยสามีตายซะแล้วอความไม่เที่ยงคนที่จะเห็นตรงนี้ได้นะคุณยมติ๋วต้องต้องมีกําลังจิตนะเพรา ะ, <ค>ะนี่คือการเห็นตามที่เป็นจริงนะอันนี้คือการเห็นตามที่เป็นจริงว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปโอ้จะเห็นตรงนี้ได้จิตต้องม อต้องต้องมีกําลังแหะค่ะเพราะดิฉันเข้าใจว่าเหมือนกับบางคนเนี่ยพอคุยกันก็โอ้พอตอนแรกก็ปรุงแต่งไปนะคะโอ้ยเขาจะยังไงเขาจะยังไงเขาจะยังไงหรือว่าโอ้ยนี่มันทุกข์มากเลยแต่สุดท้ายพอมาถึงจุดนแต่ก็นั่นแหะนะมันก็เป็นธรรมดาอก็คือคือการที่เขาค่อยๆพัฒนามาถึงจุดนั้นแสดงว่าจิตใจเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอ่าแต่มาคือแต่มาก็เคยเจอแม่คนหนึ่ง ลูกอายุสิบกว่าขวบเงี้ยไปขับมอเตอร์ไซค์ถูกรถไฟชนตายนะีไปเจอศพลูกเนะี่ร้องไห้จนสลบเนะี่ร้องไห้จนสลบเขาช่วยกันเอาเดียดดมดมอะไรต่างๆฟงื้นขึ้นมานึกถึงเรื่องนี้ร้องไห้จนสลบอีกนะเป็นอย่างเงี้ยตั้งสิบกว่ารอบอ่ะโอ้แม่เขาแบบไม่สามารถที่จะเห็นได้เลยว่าโอ้มีความไม่ที่ยงเป็นธรรมดาคือคือมันมันความทุกขนี่มันท่วมทับมากเลยจนไม่สามารถมองเห็นได้นะออคันนี้คือกรณีกว่าบางคนก็มองไม่เห็น ซึ่งจะมองเห็นได้จิตจะนังว่าจิตเขาต้องมีกําลังต้องเคยมีการเตรียมตัวมาก่อนแน่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ในกรณีของคนที่อาจจะไม่ได้เคยฝึกอะไรมาก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือยังไงก็ตามเนี่ยอวิธีการก็คือว่าเราก็อย่าไปหาความสุขทางตาทางหูน่ะจะต้องออกจากหวงความคิดตรงนั้นแต่นี้ว่าไม่ว่าจะเป็นการฝึกในรูปแบบไหนนะคุณโยมติยวมันก็ช่วยได้หมดเลยนะบางคนอาจจะไม่ได้ไป ปฏิบัติธรรมที่ไหนล่ะแต่ว่าฉันก็อ่านหนังสือธรรมะอะไรพวกนี้อยู่ในซึ่งตรงนี้ก็เป็นการช่วยที่ให้จิตใจของเขามีกํำลังพอเจอความทุกข์แล้วเขาก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ น, นี้คือคําที่บุรุษจาว่าแล้วก็ถ้าจะไปนึกถึงคําสอนของพระพุทธองค์นะคะก็คือท่านจะพูดถึงอ่าความจริงของโลก<ช>ว่าไม่เที่ยงอย่างนี้ค่ะเป็นพุทธพจน์เพราะๆ เ, เป็นยังไงกันบางคะ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดานะหรือว่าเอาเอาตัวอย่างอของกรณีนี้ก็ได้ว่ามีอยู่ห้าอย่างนะมีอยู่ห้าอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นสมณพราหม์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจจะได้ค่ะ <Okay. S 1> แตือขอของที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเนี่ยว่าให้มันเที่ยงเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกัน <Okay. S 1> ให้เราพิจารณาเห็นสมมติเราไม่ได้ใช่ไหม เราไม่ได้เนี่นขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอของที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาว่าอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยเราไม่ได้นี่ยเราไม่ได้ไไดคนอน่งก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเนีเราไม่ได้คนหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันก็ th จะทุกข <prone to S 3> <ค>์ทำหมก็สบายใจซะนะคะและถ้าอย่างนี้ด้วยได้ไหมคะอาพวกโลกธรรมแปดอะไรเงี้ยค่ะอ่าใช่ใช่ใช่มีราบเสริมราบใช่มียศเสริมยศนิทาสันเสริมสุขทุกข มีสุขมีทุกข์ ม, มีลินทามีสันเสรินนะคะก็อย่างน้อยจะได้รู้ว่าไอ้นี่แหละคือความจริงของชีวิตและภาษาสดาของเราเนี่ยเคยตรัสเอาไว้แล้วเอมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างนั้นไหมคะคือมันจะวนไปวนมาแต่มันอาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้มันอาจจะแย่ลงกว่านี้ก็เป็นไปได้นะแต่นี่คือชีวิตมนุษย์มันเป็นอย่างนี้สุขก็มีทุกข์ก็มีนะทีนี้เราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเราก็จะพบว่า อันี้มันก็เกิดขึ้นขันห้าก็ธรรมดาคเราให้มีสติอยู่แค่นั้นแหละเป็นการดีให้รักษาถ้าสติมีไม่มีไม่ได้นะมีไม่ได้แล้วเราก็พยายามรักษาศีลให้ดีอย่าปิดศีลอย่างนี้มันก็อย่างน้อยก็ยังพอจะไปได้อย่างกับคําว่า ต, ตาทะตาเนี่ยค่ะเป็นพุทธพจน์ไหมคะถูกต้องถูกต้องตานะตา<ะ>เป็นอย่างนั้นอืมมันเป็นอย่างนั้นเอามาใช้ในกรณีนี้ได้ไหมคะได้ได้เลยถูกต้องเลยคือคําคําเนี้ย คนที่จะกล่าวคํานี้ได้ในคนโยมติวแสดงว่าเขายอมรับความทุกข์ได้ค่ะเออมันก็เป็นอย่างนั้นละแสดงว่าเขาเห็นทุกเนี่ยเห็นด้วยความจริงเลยนะยอมรับความทุกข์ได้แสดงว่าเป็นผูดด้ที่รอบรู้เรื่องทุกอันนี้คือรู้อริยสัจเต็มๆเลยนะอันหนึง<อ>่งเลยนะอ๋อค่ะคือดิฉันคิดว่าคนรู้เนะี่ยมีเยอะนะคะคือรู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมีอ่าเคยอ่านหนังสือเคยได้ยินคนดังๆเขาพูดกันนะคะเคยได้ยินพระเทศอืมแล้วก็ สะสมอาวุธไวเยอะเลยหนังสือทำรร ม, มากกัอ่านมากไปวัดก็ไปเยอะฟังกัฟังมากพอเกิดขึ้นจริงๆทําใจไม่ทันเลยค่ะนั่นแหละนั่นแหละเห็นคําว่าตาตาลอยมาแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นอะไรที่จิตแตกอยู่ก็คือตรงนั้นแหละก็รเรียกว่าถูกความทุบท่วมทับเอาแรงมากนะคะค่ ะ, <S <S 2> <S 2> ค, ะคือคงจะต้องอ่าสรุปสุดท้ายเหมือนกับที่เคยสนทนากับท่านมาในจุดที่ว่าเพราะฉะนั้นก็มันชี้ให้เห็นว่า เราจึงควรที่จะรู้ธรรมะของพระพุทธองค์ใช่ไหมคะถึงจะมาเป็นแบบที่ท่านได้พูดว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลที่เคยฟังธรรมเนี่ยจะรู้อุบายอื่นที่จะออกจากความทุกข์นอกจากกรารมสุขเป็นต้นตัวนี้ท่านมาเลยจะขอสรุปด้วยพุทธโพลตรงนี้ดีวกว่านะคุณยมติวนะดีคะ่ะทานที่ท<า>พระพุทาเคยบอกว่าผลของความทุกข์มีอยู่สองอย่างค่ะคือหนึ่งความทุกข์มีความหลงไหลเป็นผลนี่คือหนึ่งคือคนที่อาจจะไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิิธรรม ก็จะมีความลงไหลเป็นผลหรือสองความทุกข์มีการสแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผลว่าใครน้อจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใ <Okay. S 1> นนี้เป็นผลของความทุกข์ให้เราหาทางนี้หาทางที่ใครจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้แน่นอนพรบรญชาวสาว <Okay. S 1> นึงหรือสองวิธีนั้ น, น, นก็คือสติบ้างสมาธิบ้างศีนบ้างอยู่ในมาร์กนี้นั่นเองค่ะ okay. ะะว่าท่านทั้งหลายคงจะมีวิธีที่จะรับมือกับความทุกข์หรือว่าที่จะแนะนําคนที่เขากํลาลังประสบความทุกข์หรือแม้แต่เราเป็นเพียงผู้ดูเกิดไปทุกข์กับเขาด้วยนะคะว่าเราควรจะทําอย่างไรก็กราบนมสักการขอบพระคุณท่านไพรียบุญเป็นอย่างมากนะคะเรีานค่ะท่านฟันที่ครบทา่ละทั้งหมดนั้นก็คือธรรมะที่อยากจะให้ท่านเอาไว้จับช่วยเป็นอาวุธใช้กับชีวิตประจําวันที่ บางครั้งจำเป็นจริงๆนะคะไม่งั้นแล้วก็จะทุกข์หรือว่าจะหาทางออกที่มันทำให้ทุกข์หนักยิ่งขึ้นไปอีกไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับรายการสันสนีิสนทนาที่งังน่นสันสนาคพงลาท่านทั้งหลายไปแต่เพียงเท่านี้พุทธสวัสดีค่ะ